นนะเราก็ได้ตรวจมหาสถิตประานนสูตรพระพุทธเจ้าก็บอกไปเนี่ประสูตรเนะี่ยว่ามั น, เ ป, นเป็นทางสายเอกนะที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์นะทางสายเอกด้วยเหมือนทางหลักนะทางหลักไม่ใช่ทางเอกไม่ใช่ทางโทนะเป็นทางที่ จะทำให้เรา้นจากความทุขไดนะ้ในเนื้อความสำคัญของมหาสติปัฏฐานสูนนะคือาการที่เรามาศึกษาเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องวิทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมแต่ในกายจะมีย่อยอีกหลายอย่างนะบางคนก็เน้นเรียนรู้เรื่อง อาณาพาณสติคือลมหายใจนะบาคนก็กำหนดรู้ในอิรลียบทสี่ยืนเดินนั่ง น, นอนบางคนก็กำหนดรู้ชัดที่อิรลียบทย่อยนะอิเลียบทก็พูดเหยียดเคลื่อนไหวนะบางคนก็กำหนดรู้ที่นะความเป็นท่าก็มีบางคนก็กำหนดรู้ที่ความเป็น อสุภะนะแต่ไม่ใช่แต่การเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่เพียงแค่เหมือนทำให้เป็นสมาธินะบางทีในกรรมฐานในหลายๆรูปแบบบางทีมันรู้อารมณ์อย่างเดียวกันนะแต่ในตารรู้ความเข้าใจแตกต่างกันนะถ้า คำหวดรู้แบบเป็นสมาธินะอันนั้นวงเป้าไปที่ความสงบความให้จิตมันมีความสุขความสงบความสบายนะไม่ได้เน้นที่ตัวรู้นะแต่สติประญาีิเราเน้นที่การรูนะ้รู้สิ่งตา่างตามความเป็นจริงนะรู้แล้วก็เห็น เห็นการเกิดถึงการเปลี่ยนแปลงเห็นการกับไปของสภาวะต่างๆไม่ใช่มุ่งเป้าไปที่ความสงบแต่มุ่งเป้าไปทำที่เกิดปัญญาปัญญาคืออะไรนะเราเห็นกายในกาย่เป็นประจำเห็นกายภายในบ้านเห็นกายภายนอกบ้านกายภายในก็คืออะไรกายกายของเราเองนี่แหละนะ กายภายนอกคืออะกายของผู้อื่นหรือว่าสิ่งอื่นนะเราก็เห็นเขาน้องเข้ามาเห็นเหมือนกันว่ากายภายนอกนะเขาจะเป็นแบบนั้นกายภายในของเราเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันมนะันมองสะทอนดูอย่างที่ว่าเราเห็นคนป่วยเห็นคนแก่เห็นคนตายเราก็เห็นตัวเราเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะ ในอนาคตนะไม่รู้แต่ใกล้ไกลเราก็อาจจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันคือมันเห็นเห็นไม่ใช่เห็นแต่คนอื่นแต่เห็นตัวเราในคนอื่นด้วยนะเห็นคนอื่นในตัวเราด้วยนะก็มีนะอืทุกคนก็เหมือนกันเสมอภาคกันทั้งนั้นเลยนะเราเห็นแบบนี้มันจะเกิดความเข้าใจไม่ได้แยกว่าเป็นเราเป็นเขาหรอที่จริงก็เห็นเป็น เป็นสัตว์แต่ว่าธาตุเป็นลูปเป็นนามเหมือนกันทั้งนั้นมีความแตกต่างกันนิดนิดหน่อยหนะ่อยเลยภายนอกแต่โดยภายในที่จริงพวกพกเราตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ทั้งนั้นนะนะเป็นเหมือนกันทั้งหมดเลยไม่มีใครที่จะสุดอจากตรง น, นั้นไดนะ้ถ้าเราเห็นตอนะนะี้ไป ด, ดูกาย เป็นประจําโดยทนาหรือ ด, ดูจิตดูธรรมอย่เป็นประจำเนะ่สิ่งสำคัญจริงจริงนะดูเพื่ออะไรถ่ายถอความพอใจและความไม่พอใจในโลกของเจไดนะนะต้องสึกตรงนี้เพื่ออะไรถ่ายถอนความพอใจและความไม่พอใจนะหรือจะพูดภาษาง่ายๆก็คทีชอบใจหรือไม่ชอบใจนะี่แหละถ้าเราดูแล้วยังเกิดความชอบใจ จะมีความไม่ชอบใจเกิดขึ้ น, นแสดงว่ายังไม่ใช่ตัวสติจริงๆนะมันยังเรียกว่ามันรู้แต่กายแ ต, แต่มันไม่รู้ทันว่ามันมีความติดใจข้างในนะไม่ว่าจะติดไปชอบหรือไปไม่ชอบก็ติดกานติดเท่านั้นน ะ, นะสังเกตั้มเวลาเราปฏิบัติธรรมบงทีมันง่วงตอนทังวันเราจะมีชอบมันนะ แต่ตอนก่อนจะนอนเราจะชอบนะเพราะอยากจะนอนหลับจะที่ใช่ไห ม, มตอนนะถือว่าตอนทํางานนะถ้าทำแล้วมีคิดไม่ออกเนี่ยก็ไม่ชอบนะใช่ไแต่ตอนปฏิบัติทำถทั้งนคิดมากเกินเกินเนี่ยเขารู้สึกไม่ชอบอะไรเกินนะนก็มีแต่ถ้าเรามองเป็นธรรมดานะคิดไม่ออกตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะ ก็ค่อยพิจารณาไปค่อยๆ ค, คิดไปหรือว่าปฏิบาททาัติทำแล้วมันคิดเก่งเหลือเกินก็ไม่เป็นไรนะก็อมองมันแบบเนี้ยมองมันแบบไม่เป็นไรนะมองมันเป็นเรื่องเออมันก็เป็นของมันตอนเนี้ยนะเราจะเป็นบงังคับให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการเนะ่ะย่อมเป็นไปไม่ได้นะถ้าเรามองแาบนี้นเนะเรียกว่าถ่ายถอนความพอยใจและความไม่พอยใจออกไปเนยจิตนะ มันจะเป็นจิตมันก็ไม่ยึดถืออะไรทั้งนั้นแต่ถ้าเราจะมาใช้การงานแล้วก็มาใช้ได้แต่บางทีเราก็ต้องเข้าใจกฎว่ามันบังคับไม่ได้ <c oughs> นี่บังคับไม่ได้ตลอดหลัาางน ะ, นะ ต, ต้องคิดให้มันออกตอนนี้บางทีก็บังคับไม่ได้นอันนี้คือเราก็ต้องเข้าใจนะถ้าเราเข้าใจเนะี่ยการปฏิบัติทำจทีงมารวมที่ตรงนี้แ่ะให้เราเห็น เห็นกายเห็นใจเมื่อเห็นแล้วมันย่อมถ่ายถอนความพอใจนะหรือความไม่พอใจนะออกไปเสียได้ความพอใจความไม่พอใจจะพูดในแบบที่สวดเมื่อวานนะคืออะไรคือตัณหาตัณหาคือความอยากนั่นแหละความอยากเนี่ยทําให้เกิดเราเกิดความพอใจหรือความไม่พอใจเพราะเราอยากจะได้ เพราะเราอยากจะมีเพราะเราอยากจะเป็นนั่นแหละนะคือความอยากอีกแบบหนึง่งหรือเพาเราไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนี่ยมันะก็คือความอยากอีกแบบหนึ่งนีนะีนะนะ่คือตัณหาคือเหตุทำให้เกิดความทุกข์ใจสติประญาเนี่ยทําให้เรารู้เท่าทันนะเนี่ยเท่าทันนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจพอเห็นไม่บ่อยๆจไม่อยๆ มันสาวไปถึงเหตนะุสาวถึงเหตุก็คือตัดที่เหตุได้นปะัญหาคือสิ่งที่ควรละเสียนะาษาพระเระียกว่าปัหานะปะัญหานณะก็คือปัญหาเนะี่ยแหละตัดเสียนะนะละเสียนะเหมือนเราแตะถอนหญนะ้าก็ต้องถอนถึงรากนะหญ้ามันจะไม่ขึ้นอีกถ้าเราตัดแค่หญ้าที่มันโผล่ ผลตื้นนะมันก็ยอมขึ้นอีกนะเป็นธรรมดานั้นกะารภาวนาแรกๆมนะันอาลงไม่ถึงคืนนะค้นตับนะการตัดนะมีสติรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์นะกอดมารู้สึกตัวแรกๆมันเหมือนนะตัดแค่ยอดบนคื้นไปก่อนนะตัดไปก่อนตัดไปก่อ น, น, อนช่วขณะช่ขงขนะแต่ที่จริงในขณะที่เรารู้ตัวนะ จิตมันก็ไม่ทุกข์นะจิตมันก็เป็นปกติแล้วนะแต่พอเราเจริญสติไปเรื่อยนะเป็นการสะสมปัญญานะปัญญาแรกๆมันก็มีมานะที่จริงเราพูดย่อๆนะสติที่จริงมันคู่กับคำว่าสัปชัชยนะ์ยะสัมปัญญนะ์เนี่ยคือปัญญานิดน้อยแตปัญญากคือความรู้ตัว สติคือการะระลึกได้น ะ, ะระลึกใต้คือะระลึกได้ว่านะกายมีอยูนะ่เวทนามีอยู่นะจิตมีอยู่ธรรมมีอยู่ะระลึกได้ะระลึกได้อะไรเกิดความรู้ตัวขึ้นมาการรู้สึกตัวนะ่ะคือปัญญานะรู้ว่าตัวมีอยู่นะแต่ก็รู้ว่าตัวเป็นสิ่งแค่ถูกรู้เท่านั้นนะมันไม่ใช่ตัวตนนะ แต่พระก็ตัวคือเป็นรูปเป็นนามเท่านั้นนะรู้ว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่กับรูปอยู่กับนามเท่านั้นนะเมื่อดูแล้วมันเห็นนะเห็นแล้วนั่นแหละคือตัวปัญญาเห็นว่าเป็นเพียงแคนะ่สิ่งที่ปรากฏขึ้นนะชั่วขณะในรูปในนามเท่านั้นนะมันเห็นสีหน้งางาไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยนะมันค่อยแยกๆนะเป็นรูปธรรมนามธรรม เป็นรูปโรคนามโรคนะเป็นรูปทุกนามทุกนะเป็นสมมตินะเป็นปัญญานะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามนะันเป็นเพียงแค่มันเพื่อยแยกนะนี่คือปัญญาที่เกิดจากการจเจริญสติปัฏฐานนะปัญญาที่เกิดจากการผ่านการฟัทงทา ง, ทางคิดเนะี่ยมันมันรู้แต่มันไม่ตัด น, นะนะมันรู้มันเพียงแค่ เหมือนยาแก้ปวดนะบาทีเราคิดคิพิจารณาเราสอนตัวเองด้วยฉัการใช้ความคิดเนะี่ยมันเหมือนยาแก้ปวดถ้าจะดันรับได้ถ้ามันปวดไม่หนักนะถือว่าดันรับได้ถ้ามันทุกข์ไม่มากเนาะมันก็อาศัยคิดพิจารณาช่วยได้แต่ตัวที่จะถ่ายถอนความเห็นผิดจริงๆนะ่ะต้อเป็นประจานจากการภาวนานะนะี่ยเราก็ ค่อยๆฝึกไปเดื่สติตรงนี้นไปเรื่อยเนาะ<ม>โดยที่กนะ็ทําทเหตุไปเรื่อยแต่จริงๆทุกครั้งที่เราทําเหตุถูกจิตมันกนะ็เป็นการจิตนะมันก็มีความเป็นทุกข์เป็นที่อยู่ล่ะมันทําเป็นทีละขั้นทีละขั้นทีละรั้นสะสมไปน ะ, นะเหมือนเราเก็บน้ํานำะ ผนก็ตกลงทีละหยดทีละหยดทีละหยดน่ะมันฉี่ขึ้นฉีขึ้นฉีขึ้นนะน้ำก็เต็มเต็มถังเต็มโอ่งที่เราเก็บนะสติก็เหมือนกันการรู้ทีละครั้งนั้นแหละนะแต่เราก็สะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆปัญญามันจะเต็มรอบตอนไหนก็ก็บอกไม่ได้นะอืมแต่ก็สะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆละพอถึงวันหนึ่งนะมัน เจริญปัญญานะด้านแรกมาเจริญสตินะฝนะึกสติเนะี่ยให้เกิดความรู้ตัวไปเรื่อยๆต่อไปมันีะมีขั้นหนึ่งที่เรียกเจริญปัญญานะเจริญปัญญาคืออะไรเห็นนะเห็นทุกอย่างนะเป็นตรลักษณเห็นทุกอย่างคืออาการแค่เกิดดับนะด้านแรกมาสติคือแค่ระลึกรู้ตัวไปก่อนรู้ตัวไปก่อนนะให้เกิดสติ แต่ต่อไปเราต้องเห็นอารมณ์ต่างเหนะ็น enfin, <c oughs> อารมณ์แบบไหนดูลงไปเลยส่วนใหญ่ถ้าจะเห็นชัดคือเห็นความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจนี่แหละเดี๋ยวแต่ละวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงนอนหลับเนาะมันมีความเปลี่ยนแปลงอารมณ์ต่างๆเมื่อร่ที่เราจะเดินสติเดินทั้งมันเกิดการเดินปัญญาหรือว่าจะเดินปัญญาเนะี่ยเราจะสนุกกับการ เห็นจิตเห็นใจที่มันเปลี่ยนแปลงไปเราจะสนุกในการเห็นความคิด<อ>เห็นต่างๆเนี่ยมันจะยิ่งแบบการภาวนายิ่งก้าวหน้าได้เร็วนะ <S <S ทําไมครูบายาารหลายๆรูปจะบอกหเหมือนกันไม่แต่หลวงพ่อเทียนหรือครูบายาการย์รูปอื่นนนะถ้าบอกยิ่งคิดมากยิ่งรู้มากจะเรียกว่าเนี่ยยิ่งคิดมากก็ยิ่งดีก็ไะไรมันเกิดความรู้มาก เกิดความรู้ความเข้าใจในตนเองมากขึ้นหรือบางทีหลวงพ่อเทียนพูดขนาดว่านะเมื่อไรถ้าเรารู้ทันความคิดนะตอนนั้นเราได้ต้นทาของการปฏิบัตินะการที่รู้กายเนะี่ยก็เป็นแค่เรื่องต้นนะแต่การที่เรารู้ทันความคิดนะถ้าภาษาหลวพ่อเทียนรู้ทันจิดที่มันรักคิดรักรอริ่ง น, นะนะ แอบประมวยคิดเผลอไปคิดนะเมื่อไรที่เราจับเอกับความคิดเนะี่ยเหมือนนะั่นเราได้ต้ทนทางเราจะเห็นว่าโอ้ที่ทุกมานานหรือว่าที่เราไม่ทันมันเนี่ยเหมือนเราจับมันจับมันไม่ทันเนาะจับไม่ได้ได้ไม่ทันสักทีเนหะมือนเราเคยได้ต้นหาไหมเพื่อไปแอบนะเพื่อไป ซ, ซ่อนเราหาไม่เจอสักทีเราป้งเขาไม่ได้สักที แต่การเจริญสติเหมือนค่อยๆหาไปเนะี่ยหาที่ไหนหาที่กายที่ใจเนะี่ยค่อยๆดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆถึงจนดนึ่งเราแทรกเอกับความคิดแทรกเอะกับความหลงนั่นแหละโอ้อันนี้เองต้นทางของการปฏิบัติเราจะเจริญสติผ่านรูปแบบการเคลื่อนไหวเนนะี่ยมันเป็นเหมือนเป็นอุบายนะอุบายเอาไว้ล่อล่ออะร่อรวม จิตมันจะเผยออกมาคิดนะเราก็จ้บเองมันเราก็เห็นมันเมื่อไหร่ที่เราเห็นมันเห็นมันจิตเฉยเนาะไม่ต้องไปทำอะไรมาันมันก็หายไปของมันเองนะสติมันมีกำลังขนานั้นมันเหมือนจะเรียกว่าแค่เห็นจิตเฉยนะความทุกข์แล้วก็ความหลงมันก็หายไปของมันเองไม่ต้องทําอะไรไปมากกว่านั้นนะนะโมทีที่ หลวงพ่อเคลียร์น ะ, ะเปลียนเหมือนแมวกับหนูถ้าแมวเราตัวใหญ่หนูแค่เห็นแมวหนูก็ดีไปละหนกูก็กลัวไปละนะอันนี้คือแค่เห็นนะกำลังแค่การเห็นเนะี่ยมันก็ทำให้หายไปเลยกัะมันมันก็ไม่วไหวั่นไหวกับอารมณ์ต่างๆหลวงพ่อต้องเคลียนนะเปลียนเที่ยเหมือนกับสติเหมือนกับช้างกีเรยนะเหมือนกับหมานะ หมาเห่าช้างเนะี่ยช้างไม่หวั่นไหวเนะี่ยเราเห็นก็เหมือนกันตัวเห็นมันมีความมาั่นคงเนี่ยมันจะหมาจนะเห่าเนะี่ยเนี่ยช้างไม่หวั่นไหวอารมณ์จะเกิดขึ้นจิตก็ไม่หวั่นไวพอเราเห็นเปเพียงแค่อากาศเปเพียงแค่อารมณ์เฉยๆเนี่ย เ, นะเราดูนะมันจะเดินปัญญาอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นเห็นความคิดเกิดขึ้นเห็นความคิดดับไป เห็นอารมณ์นี้เกิดขึ้นอารมณ์นี้ดับไปอารมณ์ที่สองอารมณ์ที่สามเกิดขึ้นดับไปเห็นไปเรื่อยเนี่ยเจริญปัญญาไปจนคล้ายๆจนท่านมันเหนื่อยน่ะมันก็เหนื่อยนะในขั้นเจริญปัญญาจะมันเหนื่อยเพราะมันเห็นเห็นเยอะเห็นเยอะคล้ายๆเหมือนเราเรียนหนังสือนะรับข้อมูลมาเยอะรับข้อมูลมาเยอะพอถึงจุดหนึ่งมันก็เหนื่อยนะพอมันเหนื่อยจิตมันก็จะเข้าไปพักด้วย สมาธิของมานเองนะบางทีมันก็พอมันเหนือยมันก็อืมอยากจะขอพักด้วยสมถานที่เป็นสมาธิก็มีนะนะเช่นเรากลับมาอยู่กับกายเนะี่ยบางทีพอมันเหนื่อยมากๆมันก็ไม่สนใจความคิดมันก็มาสนใจแค่กายเฉยๆบางคนดูลมหายใจก็สนใจแต่ลมหายใจไม่สนใจไปดูความคิดคือจิตถึงจุดหนึ่ง มื่มันเหนื่อยมันก็เข้ามาพักของนาทีหนึ่งเพื่อเจ้าเคยบอกว่าสิ่งที่จะเดินทําให้มันสิ่งที่ควรทำสองอย่างนะคือสมาทานและวิปัสสนาเมื่อกีมันแยกแต่ไม่ออกเมื่อเราตอนที่จิตมันเหนื่อยมันก็ขอพักด้วยสมาทานสมาทานนะให้จิตมันได้พักในความสงบให้มันมีกําลังขึ้นมาเมื่อจิตมันพร้อมมันตื่นตัวนะ เมื่อมันมีสติเป็นตัวนํามันก็จะเดินปัญญาได้นะมันเราทํางานไปสะสมความรู้ความเข้าใจเรื่อยๆถึงจุดนึงมันเหนื่อยอีกมันก็พักอีกหล่ะเมื่อปัญญามันเต็มรอบอ๋อมันก็ตัดปัญหาตัดความทุกข์ออกไปได้อันนี้คือมันก็ทําไปแบบนี้เรื่อยๆนะในขั้นการเดินในการเดินทางอ่ะเรวก็ใส่หลักพวกนี้ไปเรื่อยๆ แต่ก็อย่างที่ว่าเบื้องต้นมันต้องอาาัย่ในแหละ ừ. ในการสร้างความรู้สึกตัวเนยะไปเรื่อยๆเมื่อเราทําไปเรื่อยนะมันย่มยเกิดผลของมันเองหรือในระหว่างทางเมื่อกี้มันก็มีความหลงนะอมีความหลงนะเกิดนะเกิดวิปนะัสนาเกิดกดนะินตาญาณเกิดวิปลาสนะคนะืออะไรความ มันทีมันก็ไปรู้เรื่องนอกตัวเนี่ยมันทีจิ Hoy, ตตอนแรกมันก็รู้เรื่องตัวเองดีละมันทีก็ไปรู้นอกตัวออกไปก็ไปเกิดการติใจนะสนุกนะสนุกไปเที่ยวรู้เรื่องนอกตัวนะมันทีก็สนุกดูเรื่องธรรมะนี่แหละนะแต่มันเป็นแบบไปรู้แบบวิเคราะห์วิภากษวิจารณวิจัยนะลึกซึ้งออกไปไม่ใช่ไปรู้เพื่อการ ดับทุกก็มีนะไปรู้ได้ฟังได้เห็นอะไร <c oughs> ก็แตกฉานในเชิงธรรมะไปหมดเลยนะแต่มันแตกฉานแบบแบบวิชาการนะ่ะแตกฉานในเชิงนะ่ะไม่ใช่เพื่อออกมาดักทุกมันต่างกันนะแต่เราแต่เรารู้นะที่จริ ง, รงพอเรารู้ตัวว่าเออมันโด่งไปวันนั้นละเรากลับมาเนะี่ยกลับมาหาฐานของเรา จิตมัน ไ, ได้กลับมากลับมาหรือบางทีคอย เ, เตืสติเกิดปัญญาขึ้นมาเบื้องต้นเนาะจิตมันมีความเมตตา ม, มีความสมสารอยากบอกคนนั้นอยากช่วยคนนี้นะอยากคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงเพื่อนนะคิดถึงลูกอยากให้เขารู้ไปด้วยบางทีเมตตามันน้ำมันซ้าหน้าเกินไปซ้ำหน้าสตินะจิตพ อ, อไปอยาก ช่วยอยากจะปกเป็นตะ่ก็คือเคลื่อนไปแต่มันเคลื่อนบางทีก็ไม่ดูการรักเทสะก็มีนะถามว่าจิตมันีดีไหมดีแต่มันเป็นเรียกว่าเทวบุตรมานนะมันมีมาที่มาในค่าของจิตที่เป็นเหมือนเทวดาเป็นนันฟ้านะจิตมันดีแต่เราหลงในความดีก็มีนะต้องระวังเรียนแต่ทางไหนผิดจ ะ, จะแยกแยะได้นะ เราต้องดูว่าตอนนั้นเรารู้สึกตัวอยู่ไหมรู้สึกตัวไหมอยากจะไปต่อคนอื่นอยากจะไปบอกคนอื่นอยากจะช่วยคนอื่นนะเราทํา้วยความรู้สึกตัวเลยอเราทํา้วยความหลงตอนพุ่งเป้าไปแต่เขาจะลืมตัวเราหรือเปล่าดึงสังเกตทันไหมมันอยากพูดสังเกตมันทันมันทันไหมมันอยากช่วยนะถ้าเราสังเกตทันเราก็มีความรู้สึกตัวอนะแต่เราสังเกตไม่ทันแสดงว่าเออเราหลงไปแล้ว เท ม, มาบุตรมารข้อบงำเราละนี่ในระหว่างทางมันองมีบ้าง น, นะแต่เราก็จะไปมองเป็นเรื่องตกใจเปเรื่องอะไรมนาะแต่พ่อคนเขียนท่านให้หลักไว้ว่าอะไรที่เกิกดขึ้นก็แล้วแต่กลับมารู้สึกตัวมันจะค่อยๆทาให้เรากลับมาหาทางหลักทางหลักก็อย่างที่ว่าแหละมหาปฏิปฐานนั่นแหละคือทางหลักนะทางเอก ทางที่มาเกิดสภาวะอารมณ์ต่างๆมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนที่แยะข้างทางนะเราแยะนานแล้วก็เนื่อช้าหรือบางทีมันก็ทำให้เราถดถอยขึ้นออกไปในทางแยกต่างๆแล้วก็กลับมารู้สึกตัวเนีนยะหากมาทานของเราเนี่ยแหละนะมันจะทําให้เราเรียกว่ากลับมาสู่ทางหลักเนะี่ยกลับมาสู่ทางหลักไม่นจะเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาก็กลับมาก่อนกลับมาก่อนนะ แต่ไม่ใช่เป็นการโผล่อารมณ์นะกลนะับมาหาหลักเพื่อให้เราได้เห็นให้เราได้ตั้งหลักว่าอารมณ์ที่มาเนิแรงแนะั้นไม่ว่าจะเป็นความสบายก็ดีมเมตตาใจใจตอนคนอื่นก็ดีหรือความรู้ความเข้าใจในเชิงธรรมะที่จะดีต่างๆก็ดีเนะี่ยมันคือตัวรู้จริงหรือว่าตัวหลอกนะมันจะทําให้เราไค่อยเห็นอันนีืมมันหลงไปแล้วเนาะน่ะ บางทีมันหลงต่อไปเรื่ยมันละเอียดมากนะความหลงเนี่นยภาวนาเรื่อยๆนะยิ่งเห็นมันหลงเยอะเห็นความหลงบ่อยมากนะตาเนี่ยโอ้แต่ก่อนคิดว่ามันดีนะไปมองที่จริงจิต ม, มันอยากมองมันเลยหลงไปมองนี่เองนะเห็นอันนี้สวยแล้วก็มองนะเห็นอันนี้ไม่สวยก็มองนะ เห็นนี้สวยก็ชอบเห็นอันนี้ไม่สวยก็ไม่ชอบหูเองก็ไม่อยู่นิ่งนะน่ะเขาพูดอะไรก็อยากไปฟังเขาหินทาใครก็อยากจะไปรู้นะ่ะมันไม่นิ่งนะเพลงมาก็ได้ยินก็ร้องตามอ่าอะไรหกูก็วิจารณ์น่ะทาง เ, เกตฑ์ทานตีจิตมันพอได้ยินเสียงได้รู้อะไรเนะี่ยเกิดการวิครอบวิภาควิจารณ์ขึ้นเลยนะ โดยเพะพวกเรียนมัธสูงนะคิดเกณวิจารณ์เก่งนะมันในทางในรเนี่ยฝึกวิจารณ์ทันทีในใจฝึกวิวิจารณ์แล้วไม่พอก็ยังเสือพูดออกไปอีกก็มีนะแล้วเราจะเห็นว่าโอ้มันหลงแบบนี้เนาะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเน่อันนี้เรียกว่าอร่อย อันนี้เรียกว่าไม่อร่อยเราเป็นบัญญัติเลยนะอร่ อ, อยของเราที่ว่าเป็นอร่อยของทุกคนเกาอาจจะไม่ใช่นะอันนี้คือเป็นปัญญัติกับสมมุติว่าเป็นจริงเป็นแท้นะกลิ่นอันนี้เรียกว่าหอมอันนี้เรียกว่าไม่หอมนะมันก็หอมของเราแต่อาจจไม่หอมของคุณก็อื่นก็ได้นะแต่เราไปเอาสมมุติเป็นครอบโลกจักรวาลอะไอันนี้คือเราจะเห็นว่าความหลงเกิดขึ้นเนี เห็นความหลงเกิดขึ้นผ่านทวารตนะ่างๆนะทวารคือประตูชีวิตเรามีประตูหกบานนี่นแหละตาหูจมูกจีนกายใจนะ่ะเป็นประตูที่เนะี่ยแค่ออกก็ได้แค่เข้าก็ได้ย <c oughs> นะเป็นประตูที่ทําให้เราออกไปหลงเอยู่บนโต๊ก็ได้นะดื่มบ้านตัวเองออกไปนะี่ยหรือเป็นประตูที่ทําให้เรากลับมาก็ได้นะี่ยเมื่อเรารู้ฐานว่าตามไหลไปเนะี่ยเราได้กลับบ้านละ กลัดมาหาความเป็นปกติแล้วนะแต่ตอนที่เราเผลอไปเราก็หนีออกไปว่ายแล้วก็ออกประตูนั่นเองละเนะนี่อสีให้เรารู้ทันนะถ้าเรา เ, เราติมสติบ่อยๆเนะี่ยจะเห็นความหลงเกิดขึ้นบ่อยมากในแต่ละวันนะอ่หนะลงแต่เราเห็นความหลงอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกนะยิ่งเห็นความหลงก็ยิ่งดีเพราะเรามีสติมากขึ้นนะ มันจะเห็นความโลงแต่ความลงแต่เกิดชั้นๆั้นนะบางบางทีก็เป็นอารมณ์บางทีก็ไม่ทันจะเป็นอารมณ์บางทีก็เป็นความคิดเป็นคาําพูดขึ้นมาบ้างแต่บางทีก็ไม่เป็นคาําพูดไม่เป็นอะไรคล้ายๆเหมือนไม่ทันจะไม่ทันจะเป็นอะไรขึ้นมามันเหมือนมันแค่ตั้งต้นขึ้นมาเฉใจนะแค่รู้สึกว่ามันโลงเนะี่ย บางทีมันเป็นแบบนั้นนะกินข้าวไปเนยบางทีเออจิตมันแวบไปแล้วไม่รู้ยังไม่ทันรู้เลยนะแวบไปไหนแต่แค่รู้สึกว่ามันไม่อยู่กับการกินข้าวเลยนะเดินไปซึเหมือนกันนะมันจะรู้สึกอมันไหลไปและวหรือถ้าเราสังเกตทีต่องว่าในการยกมือแต่ละครั้งขณะที่หยุดแป๊บหนึ่งนะมันรู้แล้วแต่รู้แล้อะมันออกไปแล้วนะพอเคลื่อนใหม่เออมันตัดมาใหม่่ะ ในแต่ละขณะดบางทีมีตัวแทรกที่มันหลงถีมากนะแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดให้เราตกใจนะทำไมเลือกขนาดนะั้นแต่อย่างที่ว่าแหละเรารู้สึกกับการเคลื่อนไหวรู้สึกกับกายก็เป็นความรู้ตัวเหมือนกันเรารู้ทันเวลามันหลงนะแรกๆอาจจะรู้ทันไม่มากก็ เ, เอาเข้าที่มันได้ไปก่อนต่อไปอ่ะก็ไม่ต้องตกใจนะถ้าเราจะเห็นความหลงมันเกิดขึ้นบ่อยนะ หรือบาที่เห็นกิเลสเกิดขึ้นในจิตในใจบ่อยเนะี่ยจะไม่ตกใจไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะแต่ก่อนมันมีแต่เราไม่เห็นนะมันมีแต่เราแต่งทําเป็นว่าเราดีนะว่าเราไม่ชั่วขนาดนะั้นแต่ที่จริงกิเลสมันนอนเนืองในใจมันไม่ถัดจะโผล่ขึ้นมาเฉยๆห ร, นะหรือบางอย่างที่เราเห็นบ่อยๆอ่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นความเคยชิน แต่จริงๆมันก็มีความไม่เคยคิดอีกหลายอย่างที่มัน น, า น, าน่าปวดทีแล้วเราก็ไม่ทันนะสติเนี่ยนะสติจะทำให้เราค่อยๆเห็นค่อยๆกวาดร้าง น, นะทำความสะอาดนะถิ่นตบปกในจิตในใจดวงนี้เนาะเนะียเราก็จะค่อยๆเห็นจนถึงมันใจมันเป็นการกับสภาวะต่างๆนะแต่ก่อนเห็นแล้วก็ชอบเห็นแล้วก็ไม่ชอบนะนะ ความคิดนี้ชอบความคิดนี้ไม่ชอบแต่ต่อไปเราฝึกไปเรื่อยให้เรามีความเป็นกลางกับสภาวะอาุมณ์ต่างๆนะก็ ค, คือว่าก็สักแต่ว่าเห็นสัดไต่ว่ารู้เฉยๆอะไรที่เกิดขึ้นมาก็แล้วแต่นะสัดไต่ว่ารู้นะสัดไต่ว่าดูเฉยๆหลวาพ่อคเขียนนะั่นบอกว่าเนีย่ยความคิดต่างๆเนี่ยไม่ต้องเอาเหตุเอาผลไม่ต้องเอาถูกเอาผิด ไม่ต้องเอาดีเอาไม่ดีนะมันขัดนะ <c oughs> แต่ก่อนมาต้อรู้สึกขัดใจแบบหลวงพ่อสอนแบบนี้เราไม่เข้าใจหรือเราไม่ชอบนะเพราะเรารู้สึกว่ามันเรื่องราวต่างๆมันต้องเอาเหตุเอาผลเอาถูกเอาผิดเอาดีเอาไม่ดีนะแต่ที่จริงท่านสอนนะเพื่อให้เราบางังนันได้เร็วๆถ้าเรายังไปคิดเอาเป็นเหตุเป็นผลคิดสาวหา เหตุต่างๆเนะี่ยคือมันเนิ่นช้ามันเสียเวลาที่จิตก็คือการไปซ้อนความคิดอนะีกทีหนึ่งมันคิดแล้วเราพยายามไปคิดหาเนะี่ยหาที่มาหาที่ไปเนะี่ยมันมันเนิ่นช้ามันเสียเวลานะแต่หลวงพอ่อท่านสนอนเนี่ยวางเลยวางเลยเพราะว่าอะไการคิดก็เป็นทุกข์นะการเอาถูกก็เป็นทุกข์การเอาผิดก็เป็นทุกข์ <c oughs> นะทุกข้ไ อ, อะไรทุกข้อเราไปยึดนะไปยึดไปเอาไปถกไปเถียนกันนะแต่หลวงพ่อท่านนี้เรากลับมาตรงนี้ก่อนนะมันไม่ใช่ว่าจะไม่รู้ว่าอะไรคือเหตุคือผลถูกผิดมันรู้โดยความเข้าใจของมันเองแหละนะแต่มันแต่ทาให้จิตเราไม่ทุกขนะ์กับสภาวะพวกนั้นได้นะนี่คือการเติอนสติเนาะมันจะเกิดผลแบบนี้แหละนะ ก็ให้เราลองพิสูจน์ดูเนาะอย่าเชื่อนะแต่ให้ลองทางพิสูจน์ดูว่าเรื่องนี้นะมันเป็นจริงได้ไหมในชีวิตของเราเองนะคำสอสอนของพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์เนะี่ยเราลองเราจิตยยใจของเราลองพิสูจน์ดูนะทีวีทีเนี่งที่พูดไว้แต่วันแรกเนาะ <c oughs> เราจะทํายังไงจิตใจถึงจะนะถึงจะเข้าถึงความ ดีงามที่แท้จริงเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้สิ่งอื่นภายนอกมันเป็นที่พึ่งที่แท้จริงไม่ได้นะมันต้องพึ่งใจที่มีสติมีปัญญานี่ยแหละคือจะทําให้ใจมันเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงได้นะลองพิสูจนตรงนี้ดูพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วเป็นทางเกตนะ <c oughs> เราจะเดินตามทางเขาพุทธเจ้าไม่นะท่านคน้นพบเขาคนพบสิ่ง น, นี้นะ สิ่งอื่นที่มันเป็นส่วนปรนะกอบมันมีมาก่อนอยู่แล้วนะการทําทานการรักษาสิ่การทําสมาธิเนะี่ยไม่มีปพตตะจมามมาเกิดก็เขาก็ดีคนมาก่อนแล้วนะศาสนาอื่นก็มีกล้าพูดศาสนาอื่นก็มีทําทานรักษาสิ่ทําสมาธิเนี่ยศาสนาอื่นก็มีแต่มาพิจูรณาศาสนาอื่นนี้ร่าแต่ศาสน า, ส า, นาพุทธเนะี่ยมีเรื่อง กาจเจริญปัญญาตอนเนี้การเจริญสติให้เกิดปัญญาการนั้นนะมันเป็นทางที่จะทําให้เราออกจากความทุกข์นะไม่ใช่ว่าเป็นทางที่จะทําให้เราตายแล้วจะอยู่กับที่ที่เป็นเน่ยดินแดนแห่งความสุขที่เป็นตัวตนจริงๆไม่ใช่พริเจาท่านสอนแค่ว่าทํ า, าทเหตุให้พ้นจากความทุกข์ไม่ต้องไปนสงสัยว่าพ้นทุกข์แล้วจะไปไหน <c oughs> มีคนเคยถามพระเจ้านะ ที่พ่านเปนแบบไหนพระจาก็เกี่ยวเที่ยวเหมือนเทียนนะที่มันมีไฟนะเมื่อเราเช่นเมื่อเราเพิเทียนมันหมดนะจุดจนเทีย น, นมันหมดแล้วไฟแล้วก็ควันหายไปไหน <c oughs> ก็ไม่ต้องเสียหายนะก็มันก็หายไปแล้วนะ <c oughs> หายไปก็ไม่มีเหตุไม่มีเหตุให้เกิดไม่มีเทียนไม่มีใต้ ก็ไม่มีไฟก็ไม่มีควันนะเมื่อเราไม่มีเหตุไม่มีปัญหาที่ทําให้เกิดความทุกข์ไม่มีความิชาที่ทําให้เกิดความหลงไปสร้างรบสร้างชาติมันก็เลยไม่มีการเกิดขึ้นมาอีกก็เลยไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกในใจเนะี่ยนี่คือสิ่งที่วิชาท่านสอนซึ่งมันเป็นความสอนที่วิเศษมากนะ เราก็ลองมาพิสูจนแล้วก็เรียนรู้เราได้ได้ไม่เสี ย, ยทีนะักปรสึสษาได้เกิดมาปุึกษาได้ยินได้ฟังได้อยู่ในดินแดนที่มีคําสอนพระพุทธเจ้านะ่ะมีธรรมะที่อย่างพิสูจนได้แล้วก็ให้ผลได้เนะี่ยก็ให้เราได้ทาตรงนี้ควบคู่ไปเนาะกับการทำการงานกับการใช้ชีวิตอย่างอื่นนะ่ะมันทาควบคู่กันไปได้นะ่ะไม่จำเป็นต้องไป เด็กหรือีไปที่ไหนนะเพียนแต่ว่าให้ใส่ใจขเท่านะั้นใส่ใจก็คือใส่ใจในการรู้ตัวนะจะทําอะไรก็ให้ใส่ใจดูตัวกลับมาดูตัวเองบ่อยๆเทนะ่านั้นแค่นี้แหละนะทํางานอย่างอื่นก็ทําได้เพียงแค่รู้ทันอะไรเกิดขึ้นในกายอะไรเกิดขึ้นในใจแค่รู้ทันมันบ่อยๆแนคะ่นั้นคือว่าภาวนาแล้วนะนะก็ปากไว้นะ